เจตนาเนี่ยจะเลือกแบ่งออกเป็นประเภทอะไรเจตนาดำเจตนาขาวเจตนาที่คละเคล้ากันไปทั้งดำและขาวกับเจตนาไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อทำลายเจตนาดำทำลายเจตนาขาวพ้นจากเจตนาทั้งดำและขาวก็แปลว่า เจตนาในการทําปาณาติบาตอธินนาทานกามเมสุมิจฉาจารมีอยู่เจตนาเหล่านี้เป็นเจตนาดําเป็นเหตุดําเป็นกรรมดําเป็นฐานะที่ดําเพราะให้ผลเป็นความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเจตนาทั้งหลายเหล่านี้ความคิดประเภทที่หนึ่งให้สามารถให้ผลได้ในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมะเวทินิยกรรมเจตนาระดับความคิดบางอย่างให้ผลในชาติหน้าเรียกว่า อุปัชาเวชนียกรรมเจตนาอย่างประเภทเนี่ยก็แบ่งให้ผลในชาติต่อต่ อ, ตอไปชาติถัดถัดไปเรียกว่าอัปราประเวชนียกรรมเจตนาหลายอย่างนําเกิดได้เห็นไหมเจตนาหลายอย่างนําเกิดได้ถ้าล่วงกรับมบทครบองค์และนําเกิดได้เจตนาบางอย่างไปอุปธร ร, รรมอุปธรรมอกุศลเจตนาอื่นๆได้เจตนาบางอย่างไปตัดรอนผลบุญอย่างอื่นได้ นะเจตนาบางอย่างก็ตามเข่นตามค่าตามล้างตามผลานอีกหลายชาติเพราะเจตนานี้เป็นธรรมะประเภทเหตุประเภทเหตุเหตุไหนก็คือกรรมปัจโยเป็นกรรมปัจโยเป็นกรรมที่จะมีวิบากต่อต่อไปในอนาคตที่นี้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเจตนาฝ่ายขาวกุศลธรรมที่เว้นจากปานาติบาตกุศลธรรมที่เว้นจากอธินทานกุศลธรรมที่เว้นจาก การมตสมิชาจารเจตนาอันนี้ยังผลที่หน้าบูชาให้เกิดขึ้นเหตุคือความคิดที่เป็นศีลให้ผลเป็นมนุษยสมบัติและสวรรคสมบัติเป็นต้นรองรับพรหมสมบัติรองรับนิพพานสมบัติเจตนาอันนั้นเป็นเจตนาฝ่ายขาวเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดในสุขคติเป็นมนุษย์เป็นต้นถ้าถ้าทั้งดำทั้งขาวมันให้ผลล่ะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทั้งอายุยืนและอายุสัน้นมาจากไหน ก็มาจากปรับกลม่มศีลข้อที่ที่หนึ่งเนเองเนี่ยนะก็กลุ่มเจตนาศีลข้อที่หนึ่งว่าอายุยืนและอายุสั้นสุขภาพดีและไม่ดีก็มาจากเบียดเบียนสัตว์ผู้ที่เบียดเบียนสัตว์คิดจะให้สัตว์มีความสุขใช่ไหมคิดให้สัตว์เนี่ยมีผิวพันธุ์ดีมีรูปงามอะไรเป็นต้นไหมหรือคิดทําลายทําเหตุเช่นใดผลก็เช่นนั้นปลูกพืชเช่นใดก็บริโภคผลแห่งพืชชนิดนั้นถ้าปลูกพวงอก ก็ทานถั่วงอกเป็นต้นเนนะถ้าหากว่าปลูกสดาผลออกมาก็เป็นสดาถ้าปลูกมะม่วงผลออกมาก็เป็นมะม่วงแต่แต่ว่าการปลูกพืชเนี่ยนะพืชที่มันให้ผลแป๊บๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ประเภทแต่โดยมากเนี่ยถ้าพืชที่มันเนี่ยมันจะเป็นพืชลักษณะให้ผลระยะยาวมะม่วงกี่ปีถ้าไม่ใช่ตอนกิ่งนะปลูกประเภทพเพาะเมล็ดเนี่ยก็หลายปีมะพร้าวก็ตั้งหลายปีขนุนมะละกอเป็นต้นแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นปีทั้งนั้นเลย มะม่วงมะพร้าวแม้กระทั่งมังคุดละมุดพุทสาเป็นต้นพวกนี้ก็ใช้เวลาทาั้งนั้นอ่ะถ้าเพา ะ, มะเมล็ดปลูกมเมล็ดฉันใดเจตนากรรมทั้งหลายที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่มีระยะเวลาทีนี้ผู้ที่มีปัญญาเขาเห็นว่าไอ้เจตนาพวกนี้มันให้ผลนําเกิดเขาจึงมาเจริญมรรคเจตนาเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเกิดด้วยขณะอริยมรรคเกิดไหม ขณะโสดาปฏิมาคมีเจตนาเว้นจากปานาติบาตอยู่ด้วยไหมบอกมีขณะโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นในขณะอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยสัมมากัมมันตะเจตนาเว้นจากปานาติบาตเจตนาเว้นจากอธินนาทานเจตนาเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร์เพราะในมรรคมีองค์แปดเนี่ยเราดูนะในมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนกับพระปัญจวัคคีในธรรมจักกับปวัตตนสูตร ขออภัยในมัคควิพังนะโทษทีในมัคควิพัง์ในหน้า66กเนี่ยนะลองดูมัคควิพัง์หน้า66ที่จําแนกอริยมรรคเนี่ยนะสัมมากัมมันตะเป็นฉไน ย, ย่อหน้าที่สองเจตนางดเว้นจากปานาธิบาเจตนางดเว้นจากอาทินาทานเจตนางดเว้นจาก การเมซูมิชาจานเจตนาเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะอารยมรรคเนี่ยนะเพราะขณะอริยมรรคเนี่ยโสดาปฏิมรรคปฏิเสธองแปลได้ไหมไม่ได้เว้นแต่ระดับทุติยะฌานขึ้นไปแต่พูดโดยธรรมดาแล้วไม่ปฏิเสธสัมมาทิฐิไม่สามารถปฏิเสธสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะเจตนาเว้นจากปานาธิบาจึง ประกอบพร้อมในระดับโสดาปติมัติเจตนาเว้นจากอธินาทานกาเมสุมิจฉาจาร์ก็มีอยู่ในขณะโสดาปติมัติขณะสกทาคามิมัติก็มีเจตนาเว้นจากอธินาปานอาทิบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจาร์คุณธรรม น, นี้ก็มีในขณะอนาคามิมัติก็มีขณะอนาคามิผลก็มี แม้แต่ขณะเข้าพระสมาบัติกุโศลศีลทั้งหลายเหล่านี้ยังมีโสดาปติผลสมาบัติก็มีกุศลธรรมเออก็มีแต่เป็นวิชาภิบาสนะนั้ น, นผ้าอาหารทั้งหลายแม้กระทั่งขณะที่เข้าพระสมาบัติเนี่ยมีมีคุณธรรมเว้นจากปาณาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจารในทุกขณะที่เป็นมัคคจิตและผลจิตมัคคจิตและผลจิตต้องมี วิรตีกิร่วมด้วยเนี่ยนะต้องมีวิรตีทั้งหลายเกิดร่วมด้วยคุณธรรมเหล่านี้จึงมีเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้ที่เป็นโลกิยะที่เป็นปริตตะเป็นไปเพื่อเป็นมหคตะเพราะฉะนั้นศีลคุณนี้จึงเป็นศีลที่ใหญ่มาก น, นะเบื้องต้นก็อยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติ ในการศึกษากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลศรรรีลเบื้องต้นจะอยู่ในระดับเกี่ยวกับข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนั้นแต่จริงๆแล้วในทางธรรมะเนี่ยนะทางคุณธรรมจริงๆอ่ะเหมือนกับเหมือนอะไรคนที่ประกอบอาชีพเยอะๆเนี่ยนะทำเรื่องโน้นทีทำเรื่องนี้จับธุรกิจตั้งรู้ไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างค้าขายอันนะีอย่างสมมติร้านร้านขายของชำเนี่ยเขาขายของอย่างเดียวใช่ไหมขายของตั้งเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วเขาขายเยอะ ๆ, ยๆเขาต้องการอะไร สาระของการค้าขายคืออะไรคือผลกำไรผลกำไรที่มาจากการค้าขายคนที่รักษาศีลศีลทุกข้อเนี่ยรักษาแล้วต้องการอะไรต้องการกุศลศีลที่เปรียบเหมือนผลกำไรเนี่ยนะที่เป็นเป็นผลกำไรทั้งโดยกุศลธรรมทั้งโดยอุปนิสัยเป็นกุศลธรรมระดับล่างเพื่อคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยพันกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ด้วยอำนาจประตูปานิสยาปเจ เ, จเจ น, นนปเจยนเนะกุศลธรรมที่เป็นปริตตะเป็นปั จ, จัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอัปปามะนะมหากุศลระดับธรรมดาล่างๆเป็นปัจจัยแก่อริยมัคขกุศลในระดับสูงแล้วก็กุลศลศีลเหล่านี้ก็ยังเป็นปัจจัยแก่สามัญญผลอย่างที่เราสวดไหมปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดอภินญาห เป็นต้นก็ได้มาจากบุญนิธิเหล่านี้คือการสั่งสมบุญทั้งหลายเหล่านี้คนที่จะรักษาศีลดีๆหรือรักษาศีลได้อย่างต่อนเนื่องและดีเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าผลกําไรที่เกิดจากการรักษาศีลคืออะไรเป้าหมายจุดหมายของการรักษาศีลน่ะอยู่ที่ไหนเพดัะนั้นคนที่ต้องการเข้าถึงเป้าหมายโดยเฉพาะเป้าหมายในพุทธศาสนาก็คือมีพระนิพพานเป็นที่สุดอย่างลงสู่นิพพานเป็นที่สุด ก่อนจะบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่กล่าวมาแล้วต้องเจริญเจริญอะไรก็เจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหลายคนก็บอกนี่นะวันนี้เขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เลยนะเขาไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไประพื่อปิดในกามเขามีศีลพอหรือยังอันนี้คุณรักษากายแต่คุณไม่ได้รักษาใจแล้วก็ไอาการรักษาอันนี้เพิ่มคุณธรรมอันนั้นให้มันเติบโตขึ้นนะ่ะไม่งั้นเขาจะเรียกภาวนาได้ยังไงศีลเนี่ยเป็นประเภท ภาวนาเป็นภาเวตาประธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจริญขึ้นสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆแล้วก็ต้องรู้คุณค่าคุณค่าทุกครั้งที่ความคิดที่เป็นศีลถ้าหากว่าพูดธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยน ะ, ะกุศลคุณกุศลธรรมที่เป็นศีลเนี่ยมีคุณต่อเราอย่างไรเราจะต้องรักษาศีลแค่ไหนและอย่างไรจะต้องวิเคราะห์ไอความคิดที่เป็นศีลเพราะธรรมะกุุณธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดอยู่ที่ไหน ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ดีแล้วเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านั้นเจริญงอกเงยเจริญงอกงามอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของพวกเราเนี่ยนะก็อยู่ที่ใจของพวกเราทำยังไงใจของเราจึงจะเป็นเบื้องต้นเลยก็คือศีลทีนี้คนที่มีศีลอยู่ในใจอย่างดำรงมัน่นความคิดเป็นไปกับศีลอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นธรรมธายาตระดับเบื้องต้น เป็นธรรมทาญาตระดับเบื้องต้นอันหลายคนก็ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นธรรมธาญาตอะไรบ้างบางคนก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นธรรมทาญาติเพราะอะไรได้เพราะเนี่ยเกิดมาในเมืองพุทธมีพระพุทธรูปให้กราบหไหว้มีพระสงฆ์องค์เนนให้ใส่บาทเออเนี่ยเขาได้มรดกตรงนี้มานะของเราแค่นี้ใช่ไหมบอกไม่ก็ บ, กบางคนเลยเข้าไปบอกได้มรดกอากพุทธเจ้าตรงไหนตรงที่เขาได้ฟังคาสอน ทำไงได้ฟังคําสอนแต่ละวันแต่ละวันอุ้ยเป็นบุญของเขาแล้วที่มีพระไตรปิฎกให้อ่านมีอะไรให้อ่านพวกนี้ก็ได้รับมรดกอระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สูงแต่ถ้าเริ่มมีกุศลศีลขึ้นมาก็เป็นเรียกว่าเริ่มมีเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันละเนี่ยนะเริ่มมีเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละจะเริ่มเรียกว่าดื่มเป็นจักโครสเขาบอกว่าการเรียนธรรมะเนี่ยน ะ, ะก็มีหลายประเภทการเรียนเพื่อเรียกว่า เรียนประเภทเรียนนับโคเนี่ยนะเรียนนับโคโคดํามีเท่าไหร่โคขาวมีเท่าไหร่แต่เกิดมาไม่เคยดื่มนมโคเลยเนี่ยนะกับผู้ที่เรียนธรรมะบางทีก็ลักษณะนั้นเรียนเรื่องศีลแต่ไม่มีเจตนาที่ประกอบกับศีลก็คือเลี้ยงโค ร, รู้หมดโคขาวเท่าไหร่โคดําเท่าไหร่โคอะแต่ละตัวให้น้นํานมเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยเข้าใจแต่ว่าอา้าวไม่เคยดื่มน้นํานมโคฉันใดผู้ที่รัก เ, เรียนธรรมะก็เหมือนกันถ้าหากว่า ศึกษาไม่ดีจนไม่สามารถให้คุณธรรมเหล่านี้มีอยู่แก่แก่ใจก็ไม่มีประโยชน์เปรียบเหมือนคนที่รู้ยาแต่ไม่เคยบริโภคยา ท, ทั้งทั้งที่ตัวเองป่วยหรือว่าไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรอยู่ในร่างกายเลยอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันทางความคิดเนี่ยนะก็เป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยศีลเนี่ยนะเว้นอนะทวนอีกครั้งหนึ่งสาระของศีลสอ่อสข้อหนึ่งเว้นจากปานาฏิบาต เว้นจากอธินนาทานเว้นจากการเมสุมิฉาจาร์ขณะที่เว้นนี่เรียกว่าเป็นจารีศวาฤศีนเป็นข้องดเว้นนี่นะเป็นข้องดเว้นอนลจารีที่จะต้องปฏิบัติในคุณธรรม3มข้อเหล่านี้ล่ะมีความละอายมีความเอ็นดูมีใจกรุณาหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่อันนี้เป็นจารีที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกับสัตว์ทุกหมู่เรา อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีใจที่ละอายละอายใจที่จะฆ่าสัตว์ทั้งหลายมัะพระองค์ไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะฆ่าพระองค์มีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายหวังประโยชน์หวังความเกือ้อกูลหวังความสุขแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่ามันพระองค์จึงเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกข์ไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะศีลข้อนี้พระองค์ดีเยี่ยมทีนี้ส่วนศีลข้อที่สองเนี่ยนะวารี ก, ก็คือเว้นจากการ ลักทรัพย์เว้นเด็ดขาดจากการลักทรัพย์จะรับเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เขาให้ต้องการเฉพาะสิ่งที่เขาให้ไม่ประพฤตินตนเป็นขโมยเป็นคนที่สะอาดอยู่เสมอมีปกติสะอาดเนี่ยนะไม่มีคำว่าไม่มีความเศร้าหมองไม่มีประวัติด่างพร้อยเลยว่าเป็นคนที่ไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะรือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีอัินหน้าทานเจตนาเนี่ยนะมีเจตนาคดโกงเป็นต้น ส่วนเจตนาข้อที่สก็คือวารีดวารีตเว้นจากการประพฤติอภรรมจารย์หรือเว้นจากการมีสมิชาาจารย์จารีดก็คือไม่ละเมิดสิ่งเหล่านี้ตลอดไปประพฤติตนเช่นกับพรหมเรียกว่าประพฤติพรหมจารย์ทั้งหลาย ทีนี้ถ้าหากมาดูสีข้อเจริญอะไรสัมมาวาจาบ้างเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสีทางวาจาสีทางวาจาเนี่ยน ะ, ะการทู่สีทางวาจานี้มีอยู่สข้อเอาทุศีลก่อนถ้าเรารู้จักทู้สีก็จะรู้จักคำว่าศีความทุศสีสีข้อมีอะไรหนึ่งการพูดเท็จเนี่ยนะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงสองพูดส่อเสียดส่อเสียด ไอ้คำว่าสอเสียดเนี่ยหมายคำว่าพูดยุแยกเนี่ยนะแปลโดยความหมายอันอัตถะที่ถูกต้องแปลว่าพูดเพื่อการยุให้แยกการพูดเพื่อความแตกแยกเรียกว่าปิสุณาวาจา น, นะสอเสียดนั้นไม่ได้แปลว่าพูดเสียดสีพูดทิ่มแทงให้เจ็บใจอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นแต่พูดมีเป้าหมายเพื่อความแตกแยกแล้วก็อย่างที่สามก็คือพูดคําหยาบเรียกว่าเหมือนกับเพื่อ อ, อะไรนะ พูดให้เจ็บที่ใเขาเจ็บใจที่สุดเท่าที่เขาจะเจ็บได้พูดเหมือนเอาก้านบัวเนี่ยมาขัดหูมาปั่นหูนะการบัวที่ตะปุ่มตะปำเนี่ยมาขัดหูอันหนึ่งแล้วก็อันหนึ่งก็คือพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยนะคือฟังอยู่ตั้งนานจับอะไรไม่ได้สักเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่เรื่องเดียวเลยอันนั้นเรียกว่าเพอร์เจอร์ไม่มีประโยชน์ต่อปัจจุบันและต่อต่อไปอันใดอันหนึ่งเลยเรียกว่าเพอร์เจอร์